จิที่ได้ชำระด้วยมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่งเงียบเงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคื น, คนแล้วจิตทั้งๆ ท, ที่ไม่รวมไม่สมบงบรวมเป็น สมาธิก็ตาม ก, กำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจพูดอะไรไม่ถูกและความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรลักสมณมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มาก กระทบทำตาทางหูทำนิ้นทางสมองทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งทั้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วสแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลย เป็นความรู้ทีละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็แม่จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นเรื่องความรู้คือจิตนั่นเด่นอยู่โดยลำพังตนเองนี่เป็นอีกระยะหนึ่งนี่เป็นระยะหนอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชำระด้วยดีแล้วนี้อย่างเข้าสู่ความสงบ ไม่คิดไม่ตรุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้นั่นล้วนมีเรีย่ยววายจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิต ไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไกลาตามกาลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลแรงเทนหรือแรงเทียนต่าก็สว่างไปใกล้ๆ แ, แต่กระแสของกิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มี ก็เหมือนกับว่าไม่มีการมาตรฐานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดใกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นแต่วความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดวามเขตจัจกรวาลนัดโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่อํานาจของจิตกระแสะของจิตที่ชนะ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 เนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นวิสัยของผู้มิใช่สมมุติรู้เรื่องความม่ใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้นี้โลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนีน้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูด เรื่องของกิเลสสามัญคือกิจสามัญธรรมดาเราจะต้องฆ่าพระนิพพานเจ้าต้องว่างขวางเบื้องว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีไปดียังจะคิดประโยชมีแต่พวกคนที่บริสุทธิ์เดินกวฝ่ายกันดูนัอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนะ mm. ทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินกวฝ่ายกัน ไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายภาจุดเจรินเลนื่อยทำหน่องนั้นไม่มีความโศกเศร้างอหงอยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมติเราความจริงหาได้ทรางไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชาที่บริสุดเดินกวาฝ่ายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความระเสกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนมันเป็นสมมติอันนนะ แล้วมันจะเข้ากับปิมุตคำอับนิพพานทแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดียก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมด เพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอแยบออกมาอะไรก็จะต้องฆ่าไปตามความบ้นเบาที่ไปกินไม่จังไม่แน่ไม่นอนจะหมอไปนำปก็พอะไรยมกอถูกกับภาษาดิบว่าพระรหันต์ตายแล้วศูนย พระยมกนั้นเป็นปุถุชนพระสายอุดเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแน่จช่นนั้นก็รึกสึงในในตารานที่ท่านเขียนนั้นก็พยมกยังไ่ยังไม่มรามามไมปรากฏว่าได้สำเร็จมาผลม่ผ่านอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผล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 จึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของมโุสติจ่าที่พร้อมโดยเหตุโดยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่ า, าๆเหมือนโลกทัว่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผู้กับพญมกัรับสั่งพญมงทักลืมๆกันมันนานแล้วจนลืมว่า มีใครได้ผลอะไรบ้างในเรื่องนั้นหรือว่าพามพยา ม, มก็ได้มันสงสัยไหมมาถืออแต่ตอนที่ว่าพระาอารหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงสแสดงอ่พระอรหันต์เป็นรูปหรือทิ้งตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นลังขานเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้านเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อย มันไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเทนาทัญงาทังขามีนยานไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามสมุติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนําเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าคร่าหรือมาบวกกันกับ ขั้น5คือเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของกิตละเอียดจนอัศจรรย์แม่ขณะที่ยังมีสินพัวพันอยู่ก็แสดงความอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตน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 ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราเร า, ท, าท่านนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามายาเป็นมีนิจจหลิปทิศยังไงก็แสดงออกตามหลิสัยศของตนตามเรื่องของสมมุติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของยมุตินั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตา่าง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 ว่าหนักไปทาใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบทราบได้ชัดเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำหนักเวลามันหนาแน่นภณนจิตมืดดาไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอ้ย แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องภ พ, พันคืออะไรหรือถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองค่าเข้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำะระสัจสางไปโดยลําดับลําดับค่อยมีทางทราบได้โดยลํำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อย ห อ, อยังมียูนิก็ทราบว่ายังมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อน ห, หรือนี่คือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึอ่งบอกอยู่ภาณนจิตเมื่อท่านทราบชัดดังนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่ง น, นั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วจิต ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสื่อต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนด่นดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือรู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไรนั่นพระพุทธเจ้าของเรา แต่ก่อนพระองค์งไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างในปัจจุบันอีกมีความสืบตอเต่อเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันพอเมื่อนนั้นทรงบำเพ็ญจนกทั่งจัดสรู้เป็นทำทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้ว จะทราบได้ชัดมเมื่อทราบทงทราบได้อย่างชาัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศทมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ทมประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเล่ง่างทราบดังที่ท่นานทราบดาบททั้งสองและเป็นจวคีทั้งห้าเป็นต้น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 พระองค์ท่านแสดงไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเป็นจะขันธ์ของเรานีใจเป็นตัวประธานสําหรับรับผิดชอบทั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างทำแน่จะมากถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิจอาการของกิเลสอาการของธรรมว่มาเป็นไปอย่างไรบ้างใน ปัญหาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจิงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวางแปดหมืนสี่พันประธรรมขคันเพื่อให้เหมาะสมกับจดนิสฐานันนั้นจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสะดับทำจากพระโพธิเจ้าก็ให้ได้สำเร็จประโยชน์สาเร็จผลไปโดยลำหนักทำทั้งหลายจึงอยู่ที่ จะพ้ออย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันมีรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถวนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกร่างกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายใน เพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรากได้ช้ำได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตมีสำคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่คข้ควรหรือพิจารณาตามหลักความจริงหรือโดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับ เมื่อทราบสิ่งใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมาและสิ่งนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจ์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปสิ่งใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปล่อยไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจไปเรื่อยๆธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตจังเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่น การอบรมในเบื้องตน้นจิตมีแต่วความว้าวุ่นขุนมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเมื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาดเป็นฐานหรือเป็นรน้าฐานของใจพอจะตั้งตัวตั้งเมื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยทาบทใจข้อตา เมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทําบทนั้นนั้นพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิษฐพิจารณาปัญญาก็ค่อยแตะออกไปโดยลําดับเมื่อถึงการอันควรที่จะภาจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กําหนดตังที่เคยทํามาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทําความสงบด้วย ทาที่เคยเป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกําหนดทำบทนั้นเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักถอนด่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมาจากความพัก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 เท่าที่กังวลวุ่นวายอย่างนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจริงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแคบเข้ามาแค่เข้ามาจนกระทั่งถึงท่าถึงขันถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคบในระยะนี้วงแคบ เพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วธาตุขันมีอะไรบ้างน่ะติงแจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งธัญาทั้งขานยายิญาพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนาเก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อย รือวิจารณนาเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกับรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารหนึ่งยานมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะ อ, ออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันทั้งห้าท่านก็บอกว่าเป็นครังแห่งตายรักหรือเป็นกองแห่งตายรักทั้งหมดมีสิ่งใดที่อเกอิดขึ้นขึ้นอ๊ รูปธปาตุรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุยู่แล้วเนี่ยพนาสัญญาสังขารนิยามแต่ละอย่างก็เป็นเทวนามธรรมากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือสาระแก่งสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าเนี่ยปัญญาอย่างทราบเขาไปเดิมกลับคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริง แล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือต่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแคกเข้าไปแคกเข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเที่ยวเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆ น, น, น, นานาสรางคำมาเดยลนดแบบับตัดทางเสือโคร่งทันว่าในหนังสือธรรมบท ท่นตัดทางเสือโครงออกเที่ยวหากิ่นท่านวะคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้อง right? ตามรูปตามเสียงคือนุ่งร่องมครืนองผัดที่นี้ก well. ็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาทางขานยานค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโครงเสือดาวไอเที่ยวตามนี้ท่านวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวอืะ เข้าใส่กลงคือเข้เขารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่า น, นั้นพิเรตอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวเนี่ยตัดขาดไปหมดกิ่งก้านสาขาตาดัดไปหมดเหลยว่าจะอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวเอาจิตมาแต่ว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลมกระจายภายในนั้น มันกลิ่งไปกลิ้งมาเป็นวัตจับเหมือนลูกฟุตบอลนีล่ถ้าเตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญาหนึ่งจิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นิมมติก็สแสดงตัวอย่างเต็มที่ทำไมที่ว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นมมิมันเป็นจิตสองรวมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมติ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 พิเรศ อ, อาสวะจะละเอียดเพียงไรก็าตามมันก็เป็นอนิจจตุของนักฐานเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะสลายแต่ก็ตามอันนี้ไม่ใช่ใจรักซะแล้วเพราะสิ่งที่เป็นใจรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใจรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิต บ, บริสุทธิ์ค่ะ จากความสืบต่อเยี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงหรือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเห่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้น ความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความปรองใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นยามชัดเจนโดยไม่ต้องประถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานในสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในถ้ำกลางอกนีจริงๆเีนี้เวล า, วลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้ว พูดไม่ได้ว่าดูเบื้องบนเบื้องล่างดูสถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือสมมติใดๆทั้งหมดแม้เช่นั้นก็ยังเอาสมมติมาพูดแบบละเอียดสุดเนี่ยซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคําว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมติอันหนึ่งเนแต่อันนั้นไม่ใช่สมงหมดเลย ผมพูดมาละว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำ อ, อยู่ที่ไหนไม่มีแล้วแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในท่านในขันซึ่งเคยพระคร่าวกันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันก็เป็นขันหนาจริง จิต ก, ก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาทั้นั้นขันธ์ยานที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่อยู่คําว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวนทนามีสถานีพานังปรมาสุขขังปริพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนา ของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์สแสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบดยสุขตนล้วนแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่มีคำว่าปรมาสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหา ความอ้ทางทุกข์นักตาเข้าไปแทรกในปรมังสุ ข, ขังนั้นไม่ได้ฐานิพานเที่ยงปรมังสุ ข, ขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันขณะนิพานเที่ยงปรมังสุ ข, ขังก็เที่ยงปรมังจุนยังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรเนี่ยอะไรก็แ ย, ยกกันได้ถ้าพูดที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันด่างคาผิดวันย่างคำ ไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัตามรมเพียงไรก็ตามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเมื่อนนางเอาเรียนคาว่านิพานังปรมังสุขขังนิพานังปรามังสุขังเรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้ เพราะจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนนเพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดด้วยไม่พูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่นี่แหละผลแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงถูนนี้เท่านั้น ไม่ทรงสังสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมติหมดบัญญัติหมดทุกประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเป็นที่แล้วหรือเต็นภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะไปนิพพานทรงแสดงพระอาวาทเรียวกว่าปัดขีมะอาวาท ห้นดันดานทีวคืออมันตยานอยูยะธรรมมาสร้างคาราบมาเดียนะสัมปาเดธะหรือก่อนรู้สึูทั้งหลายพุดธโยโยเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วสรวนไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอ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 ข้าวเฝพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาทตัะชิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความหนักแห่งสังขารอันนี้ด้วยความระประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธานุ หาเราจะแยกไปสั้งขานภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระโพธิจักที่จะประนิพันธ์และประทานโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัดฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะประนิพันธ์นั้นจึงหมายถึง สังขารละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบอันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทําไมจะไม่ทราบหลักฐานลากร า, ากฐานของสังขารนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรน่นมันก็ต้องอย่างเข้าไปถึงบ่อของวัดปจัจจักคือกิจตาวิชามันเป็นทางที่จะย่างเข้าในนั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบ ผู้ที่กำลังกล้าเข้าไปในดลงรบาดบรรดาที่ยังไม่ไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วเหมาะสมกับโอกาสด้วยล่ำเวลาที่พระองค์ประทานพระองค์ว่าเพราะเหตุไรเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณา มีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วสังขารยิงเป็นจะเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพิจรารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงในทุกระยะภายในจิตจิตที่พิจารณาทำท่านภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นเป้ปาหมายแห่งการพิจรารณานี่จิงเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันกันกบประชิมประชิม อ, อว่าอย่างยิ่งทีเดียว ที่จะภาพอาวิชชาให้ล่มจมลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่ได้รับความผลักดันมาจากอาวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนดตามลงไปตามลงไปก็ไปถึงลากเงาเข้ามุลของยิ่งใหญ่ทำลายท่าแสงไปสังขารอันนี้ก็มีความหมายอะไร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 หรืออยู่ในธาตุในขันในจิตใจของเรานี้ทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความบริสุทธิ์มีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่นู่กับคนโน้นคนนี้ดูกับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิจนรณานอยู่เวลานี้เพราะเหตุไรเพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับ ทำพิธันแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นนั้นแล้วเข้ากำหลักมามัจจิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสม อ, ไ ม, อ ไ, สมไม่เอียงไปสมัยนู้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการนู้นการนี้เพราะอยู่ในถ้ำกลางแห่งธาตุแห่งขันของเรานี่ถ้ำกลางอยู่เสมอมัจจิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้เนี้ยเราจะเห็นผลแห่งมัจจิมาที่แสดงออก กาที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังจะไม่พ้นไปจากหยิบ ด, ดวงรู้นี้เลยเป็นขอ้อยติเพียงเท่านี้